สกาเลนาทางพุทธทางอภิปูชายามาอีมินาสกาเลนาทางธรรมังอภิปูชายามาอีมินาสกาเลนาทางสังฆังอภิปูชายามาอะ ระหังสัมมาสัมมุทโภคาวะบุตทางภัคขวันตังอภิวาเดเมสวากาโตภักขวตาธรโมะธรรมังนามาสัมมิ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 ดุติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิดุติยามปิธรรมมังสระนางคัจฉามิดุติยามปิธรรมังสรนางคัจฉามิดุติยามปิสังคังสระนางคัจฉามิดุตยามปิสังคังสรนางคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสรนางคัามตาตยามปิธรรมมังสระนางคัจฉามิ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 มันไปหาลบอยู่เลบาหาสันปัะสันนํากันบาทาให้พอนไปให้พูให้พ่อนมันต้องมันางให้มันเต็มแถวใว่าพวกที่ห้พ่อนขึ้นกันนะห้พ่อนห้เสียงให้ดังนะบาทฮามือโรงน้ำหอนบาดสันเสียงหนังกรมงโขงเกียงบาทฮามาห้พ่อนผูหมอบผูหมอบผูหมอบผูหมอบผูหมอบมันจังใดเนี่ยวะตะตั้มยุใส่เนี่ยฮะบาฮ่ากินกินน้ำมูบาทฮาแล้วบวใหายพ่อบวเป็นตี มาให้พ่อนน้ำกันวะเอาเปียบมูนี่วะบาธาเถ่าแก้มมาเนี่ที่ป้ เ, เปียบก็เนี่ยว่าขนาดน้อยๆนุ่นๆเน่เอาเปียบมูขนาดนี้วะเดี๋ยวฮั่วใจ๋อไท่านเชี่ยงเป็นผู้ห้พ่อนพวกเนี่เป็นผู้เมืนเน่อนี่ยฮั่วเจ๋อไฮพ่อนสามซอเลยเหมือนนี่ยเพื่อทดลองพิสัยทัดต่อไปพวกนี่จะเป็นพระเจ้าอาวาตเอลอลอ่องๆ่องพี่ป้วงเป็นเจ้าอาวาตรแ้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 จันโภปนาราสโสยทามิโชติระโสยทาสกิริโยวิมานชันตุสตักคารุโกวิทาสตุมาเทขวัดวันตารายสุกทธขิขายุโกตาว ขันนาสีเรสานนจังว แนังลาพังสดที่ภักขยังสุขังพลังเสี่รีอายุจวันุจ้าคังวุติจจยัสวาสาตาวสาจายุจชีวสินทีพะวันตุเพะอาวตุสาพมังคารังมรักขันตุสาพลิวตา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 สัพพังขานุพาเวนะสัทธา ส, าาสุตีอาวันตุเตอุที่สองอาวาริวะปูราภริภูเรนติสาคารังเอวะเนวะอิโตธินังเตตานังกุปะกะปิ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 ระโสยะธาตุพิติอมิวัจจันตุสัพพรวุโอมินาสตุมาเตณภาวัฏวันตารายสุขีขีพายุควาภาวาภิวะอาณาสิริสา เจ้บัวตาป่าจายโนจารุนธรรมะวาททานติอายุวันนุสุขังอาวังอาโตเวปสัสนนานังอาขันธามังวิชนะตาง อาเกบุเถี่ปัสสนานั n ดักิ a ะเยออนุตระเรออาเกทำเนปัสสนานังอินวิ e าภูปัสสเมสุเครออาเกสังเกปัสสนาบุญญเตอนุตเรอาสนานนังอังบุญังวตติ อาําอายุจวันโนจายาโซกิติสุขังปรังอากสซาดาตมิทาวีอาคาธรรมาสมัยตเดวะภูตุมนุโซวาอาคาปัตโตปโมชติทีอาวตุสาพังสารังราคันตุสาปฏิวตา สัมมาพุทธานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตหาวตุสาปมังกาตังราคันตุสาปเิวตาสัมมาธรรมานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตหาวตุสาปมังกาตังราคันตุสาปฏิวตา ตาข้าสังขานุขาเวนะจารสุทีคาวันตุเอ ใิตังปัังุมังที่พเวัชมิชาตุสเพปุเรนตุสังถจันโทปนอรโสยะธรรมนิชโติรสโยาธาเตโอวิวัจจ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 มันจำเป็นจะต้องได้สาธารณชนต้องให้พรให้ศีลให้พรเป็นถู ก, กจิตจะลักษณะไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่เป็ น, นเฉลยไม่ได้เราเป็นพระสาธารณเป็นพระของศรัทธาญาติโยมเป็นพระพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าทำอะไรให้คล่องให้ได้ให้ต้องฝึกต้องฝึก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 เพราะบุญบา ร, รมีของตัวเองมันไม่ถึงเราจะไปดุอย่างนั้นไม่ได้พอดุอย่างนั้นเดี๋ยวพอเวี่ยงค้อนไปค้อนอาจจะกระเด็นมาหาเราอีกก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องสิ่งไหนที่จะที่เรานามาใช้ไม่ได้สิ่งไหนที่เรานํามาใช้ได้คือปฏิปทาเรื่องแนวทางที่องค์ลงตาพาดำเนินการวางตัวอย่างไร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 ดุด่าว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนเรามาแล้วเราได้เคยถูกแนะนําติเตียนหรือว่าชมมาแล้วดูด่าว่ากล่าวมาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงนําแนวที่ตัวเองได้ศึกษามาแล้วก็บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพาลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมเดื่อความมั่นใจเพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษามาอย่างที่เราแนะนําสั่งสอนไป อันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตา ย, ยาญาณโยมเหมือนกันนะเข้ามาศึกษามาดูวัดว า, าศาสนาครูบาอาจารย์ศึกษาอันนี้เป็นไปนเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยไหมไปตามกฎ ร, ระเบียบไหมศิลและวินยัยทางว่าพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็จะรู้ได้แต่ผู้ไม่ได้บวชก็จะหลักธรรมวินัยก็คือหลักเหตุผลนั่นะ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 เอาตอนนี้ไปก่อนจัดอาหารแลวเนตนีน่าได้พรสามจบแล้วไนงะ